พวะเราก็ปฏิบัติธรรมล้วกับอาชีพวันหนึง่ง <c oughs> ให้พอใจให้มีเวลาเวลาอะไรก็ทมเพื่อปฏิบัติแล้วก็ชาวนาชาวไร่ตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปทำนาทำได้ แต่พูดความก็พูดเรื่องทำนาฤดูเกี่ยวข้าวก็พูดเรื่องเกี่ยวข้าวเดินผ่านกันก็ถามเกี่ยวข้าวเสร็จหรื อ, อยังหรือ ด, ดูดำนาก็ถามเรื่องปัดดำนาไม่มีคําถามอันเดิมแตคิดก็คิดเรื่องงานเรื่องการคิดจนฝันว่าไร่เกี่ยวข้าวฤดูเกี่ยวข้าว เราดูไถนานก็คิดฝันคิดมากกันฝันว่าได้ไ้นานมันเป็นอคอมพิวเตอร์ไปในตัวอันเราปฏิบัติเนี่ยเอาให้มันสุดพริ้งไลองดูจนฝันว่าได้ปฏิบัติบางทีก็เป็นเช่ น, นั้นจริงๆสมัยปฏิบัติใหม่เคยเขียนเสื้อจุกมืออะไรก็จุกมือรู้สึก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 เมื่อถูกแบ่งปันก็ไม่ลืมไม่หมดตัวอาทีก็มีการแบ่งปันญาติโยมมาเนรมนไปสวดมนต์ที่บ้านบางทีก็ไม่มีโดยโจกข้อหาโดยอ้อมเอาโดยอ้อมอะไเท่ใดที่จะรู้สึกตัว ไม่มโอกาสสางจังหวะที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆก็เอาโดยอ้อมโอได้ยินเสียงฟังอะไรดูอะไรรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไปในความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจนง่ายไปทั้งหมดเลยแตาเป็นความรู้สึกตัวเป็นเรื่องง่ายที่สุดมันเป็นชีวิตชีวา ถ้าเราหัดแท้วมันกะ็ได้เนื้อได้หน้าได้เนื้อได้หนังเป็นอันเดียวกันเป็นแม่เลีออเลูกออเแล้ลูกร้องโอ้ยเก็บก่อนลูกอนะแล้วลูกลูกก่อนมันก็ไปกับลูกออกทั้งตาทั้งหัทั้งใจทั้งกาย ไปกับโลกเคลื่อนไว้ยังไงล้มลกุมลกส่งลกูกคุกคานะังเอาใจช่วยเอาใจช่วยลูกออกอยู่ตลอดเวลาแม่แต่เป็นชีวิตคนละดุลละก้อนแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันอแม่เลี้ยงลูกออกสัวนที่สุดมันก็สำเร็จนะสำเร็จ <c oughs> เป็นปริญญาในโลกคนที่หนึ่งเรือปริญญาตรีโลกคนที่สองปริญญาโทโลูกคนที่สามได้ปริญญาเอกครับบางคนก็ชะาไม่ชำนาญการเจริญสติเข้ามันก่นอนเราให้เป็นมันนัง่งน้ามหนึ่งหน้ามอันเดียวก่อนในเนื้อในหน้ามอันเดียวกั น, น, นได้ยิ น, ยนยโลกก็สติหูได้เห็นเสียงก็สติ จะบอได้กินไดเล่นไนด้รถก็สติใจิตใจที่มันคิดก็รู้เป็นเรื่องของสติถนัดพุทธาภาษาอะไรทั้งหมดเป็นความรู้สึกตัวเท่าจนตอนนั่นมันจะไปไหนนะจะมีศีลมันจะไปไหนนะจะมีสมาธิมันจะไปไหนจะมีปัญญาจะไปไหนเราทาสุดเพียงของเราก็ขอให้เปความมั่นใจ เราทําอะไรให้ไม่ความมั่นใจเราเป็นชาวนาเราก็มั่นใจเราทํานาเนี่ยมันในความมั่นใจมากเวลาปลูกข้าวก็มั่นใจมั่นใจจนจนคิดว่าปูจะไม่กัดต้นข้าวที่เราปลูกมันมั่นใจบางทีตรงไหนที่มันปู่ชอบกัดข้าวเราเป็นคนไปปักดําเอง แต่ว่านาแปลงหนึ่งมันเม่น้ําตรงที่อื่นไม่เม่นน้ำตรงนมม้ําัำขังมันโปรชอบกัดเราไปความมั่นใจจับต้นกล้าเป็นดำตรงที่โปรกัดบางทีมันก็ไม่กลัดมันกัดนะคนมนลพิภพไม่กันจริงๆนะเรามั่นใจนเน อ, อมันเชื่อมั่นอะไรไม่รู้นะไม่แต่เราทําอะไรที่เป็นปี่มือทํางานทําการ สร้างบ้านสร้างเรือนถ้าลราถ้าเราได้ไตีตะปูเองมั่นใจขึ้นไปนั่งได้นะถ้าเราทําเป็นคนทําเองคนะนอื่นตีให้ไม่มั่นใจต้องค่อนไปตอต่อ ด, ดูก่อนจึงค่อยนั่งนะเราทําเองมั่นใจถ้ามีฝีมือถ้ามันมีฝีมื อ, ม, ม, ม, อมันก็มันก็สําเร็จอะไรก็จะสำเร็จเรื่องการกิเลสที่ดีเนี่ ขอให้ขอให้หนึ่งเดียวสักที่เด็เราท่านอื่นก็เคยพ่อพวกเราก็เคยเคยผ่านเคยมีอะไรมาบ้ากแว่ลองหันผันหน้าเข้ามาทางนี้ลองดูไปสักครั้งหนึ่งให้ทำให้สุดทีดเ่เนิ่อก็แต่ถ้าเราทำจริงๆเนี่ยมันไม่มีกลางวันกลางคืนหรอก กลางวันเมืก่กลางคืนนะ่ะกลางคืนอันเดียวไปถ้าเรามองดูโลกน่มันไม่มีกลางวันกลางคืนอย่าไปหลงเลอย่าไปหลงกลางวันอย่าไปหลงกลางคืนไม่มีความสาคัญเลยกลางวันกลางคืนอะไรอะไรก็ตาไม่มีความสําคัญ OOK, ถ้าเราเจริญสตินะเพราะความรู้สึกตัวมันมันสุดยอดมันสุดจอมดจอมันเป็นปรมาเทศ แราความรู้สึกตัวมันเหนือ้อเหนื้อทุกอย่างเราจึงพยายามมันก็ <c oughs> านการกระทำให้มันมีความมั่นใจบ้าง่ารกระทำแบบหลักตาหลมหลวงเอาแต่พิธีไดีต้ตองแห้มันเกินพิธีไปพิธีเนี่ย <c oughs> บางทีก็ก็ขวางกั้นได้เหมือนกันก้เราเป็นนักบวชเรถือว่าตัวเองเป็นนักบวชทำอะไรก็บางทีก็ า, ก <c oughs> ากจะเอาเปรียบคนอื่นก็ได้ยิงก็ได้เป็นที่ที่มานละลยก็ได้ถ้าเราเป็นนักบวชจริงๆมันมันต้อง ต้องอ่อนน้องถตนที่สุดถ้าเป็นนักบวชจริองอะไรต่อที่ว่ารับใช้ทั้งหมดช่วงมันเหม็นก็เสนอเรามั น, ม น, มนอ่อนลงแบบอย่าไปยิงอะไรที่มันไม่ไดีไม่งามเสนอตัวเสนอตัวถ้าเป็นเรื่องความดีไม่ถือว่ายากแต่ไปช่วย ไม่ใช่งอมือมอเท่าถ้ามันเป็นสมมติเป็นหัดเป็ตีนของข้ข่มกันได้แต่เราเป็นคารวาข่มกันได้โอ้หวงอเป็นพระก็หนูกันโยมหลวกพ่ทำได้หลวงพ่อขอวงพ่อไม่รัวผีลพอหลวงพ่อเป็นพระก็ เราเป็นโยมต้องตัวผีเป็นธรรมดานัากคนก็พูดอย่างนั้นนะเชื่อว่าผีมันก็ไม่หลอกพร ะ, ะผีเราก็คิดเองอ่นความเป็นพระที่เป็นเพศอาจจะโซ่เพศฆราวาสได้หน้ามใจะนะน้ามใจความเ อ, อเื้อเฟื้อเผือแผ่ความเมตตากรุณ า, นานอาจจะมีอยู่ในฆราวาสมากกว่าอยู่ในพระ โดยซ้ำไปนั่นสมมติวันหยุดเนี้ยเราจะจะให้มันขวางเราเป็นโยมก็สติอันเดียวกันเป็นผู้หญิงก็สติอันเดียวกันเป็นผู้ชายก็สติอันเดียวกันเป็นนักบวชหรือเป็นครูว่าอันเดียวกันมันเป็นหนึ่งเดียวเป็นหลักสากลแต่ไปอ้างว่าฉันเป็นโยมเป็นผู้หญิงด้วยแม้แต่คิดว่าเราเป็นผู้หญิงก็อ๋อ ของกันแบบจะพิคจะพิคเราก็หนึ่งหละ่ะเราจะต้องปฏิบัติตกันนั้นพระอนุนถามพระโพธิจ๊ะนางประชาพอดีอหาประชาพอดีโคตรณไปขอบวชพระเจ้าไม่อยากให้บวชแล้วะอนุนก็ไปทํามทําอะไร มาผลในผ่ลอเริยมารคอาริยผลนนผู้หญิงสามารถที่จะปฏิบัติถึงอาริยมรรคออาริยผลได้พระเจ้าบอกว่าได้ได้ทั้งนั้นขนาดนั้เพราะเหตุ น, นั้นบุญธรรมหาไปดาบุดีก็เป็นผู้หญิงก็ไม่โอกาสที่ถึงมรรคถึงผลได้รสุดแรีเจา้าบอกอนุญาตให้ปวดรเดียวครับ ถมาถึงมา่ถึงผลอะไรวิธีปฏิบัติของโปรแกเราเราก็พิสูจน์ได้เองไม่ต้องรองคําถามไม่ต้องรองคุณอื่นเรายกมือขึ้นเรายกมือขึ้นหน่อยเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวตลกลมรู้สึกตัวก็ไม่มีคําถามว่มามันเป็นะ เราจะรู้เองเวลามันหลงเวลาใดมันหลงมันต่างกับความรู้สึกตั ว, วเราในความรู้สึกตัวความหลง ก, ก็หมดไปแค่ต้องไปถามไปเราสัมผัสไปเราสัมผัสไปสัมผัสไปสัมผัสกับความรู้จะเห็นความหลงสัมผัสกับความถูกไม่จะเห็นความผิดสัมผัสกับความไม่ปกติไม่จะเห็น ผ, ด ผ, มมนนผิดปกติเราก็ไป ไป ห, หาความปกติเองเมือาลองพ่อพูดมาเจ้าความปกติเหมือนบ้านเหมือนเหมนที่อยู่ของกิตสติเหมือนผู้ดูแลจัดสรรให้ให้อยู่บ้านให้อยู่ในความปกตินะแม่เวลาใดที่มันหลงออกไปสติก็ช่วยให้กลับมาอยู่กับความปกติเหมือนแม่พ่อสอนโลก อย่าเนี้ยบอย่าเนี้ยบปอบบ้าอย่าไปตากฝนอย่าไปทากแดดอย่าไปาเล่ดเนดานนั้นเดี๋ยวตกเดี๋ยวชนโน่นชนนี้อ่ลูกกอนจับเมีดจับอะไรตกป้านตกเงินแม่จะต้องบอกสติก็เหมือนแม่ถ้าเราศึกษาดูดีๆทำอะไรทีมันรู้สึกตัวมันก็เลยจะกลับมา หา uh huh. ความปกติขอาเรามันหลงไหมมันผดผิดปกติเมื่อไรบางทีมันมีพลังช่วยพลังแห่งความรู้สึกตัวพลังแห่งความปกติช่วยเราอีกว่าแต่ให้ให้แยกขาดอยาผิวผิวเป็น ผ, ผ, ผดเหมือนเราทำงานทาการบางทีเราทํำสิ่งใดที่มันแยกข่ายเราไม่ เราไม่ซึ่งใจเราก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้โอกาสถ่าโอกาสไม่แยบขาเช่นเราไม่หูบางทีหูเสียงก็ได้ยินอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเสียงที่มันได้ยินบางทีเสียงที่มันได้ยินอาจจะเป็นประโยชน์อาจจะไม่โอกานะ ก็ดีเขาไม่แยกขาดเช่นสมัยหนึ่งนะทำลงโบสด ท, ที่หัวใจหลังนี่ก็้องอยู่หลังเขาเออกันไปลงโบสดเ <c oughs> วลาเดินกลับลงมาผ่านจะลาไก่เสียงแม่ไก่มัน ร, ร้องก็ตะกตะกตะเพื่อนเดินผ่านไป เกลกูกสิบลูกผ่านแม่ไก่ที่มันร้องกระตากระตาแล้วพ่อก็เดินตามหลังมาก็ได้ยินเสียงแม่ไก่ร้องก็เยี่ยมโห่ความเนีไแม่ไก่มันร้องอะไรมันต้องผิดปกติมันจงร้องแบบนี้เพื่อนเดินผ่านไปเลยไม่ได้ดูแม่ไก่มันร้องอะไรเราเดินมาที่ร้านก็ดูโหเหตที่มันร้องกาไปแย่งกินไข่มันในหลัง ผลจึงล้อเลยเพื่อนก็ได้ยินพอดีเราไปไล่กาออกจากหลังไก่เราถามเพื่อนมาแล้วก็คนเดินมาผ่านชลาไก่ก็ยินเชื่อแม่ไก่ว่าล้อไว้ได้ยินแต่ไม่สนใจไม่สนใจทุกคนก็ได้ยินอยู่แต่เลยพลาดเลยซะเลยไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ทําดีเลยไม่ได้ช่วยแม่ไก่แล้วเออแต่วบางที โอ้ได้ยินเสียงเกิดประโยชนเกิดโทษเมื่อมันมีโทษเราก็เว้นเพราะหตามันเห็นเรามีความแยกคายอาจจะได้ผลุธ์ทำเพราะตาเห็นอาจจะได้ผลุัธ์ทำโอได้ยินพได้เท่าไหร่เนี่ยเช่นถ้าระยสงบางลูกเห็นใบไม้ลวงประษาใบไม้ลวงเฉยๆก็ได้ผลุธ์ทำเพราะพิจารณาโดยแยกคาย เห็นท่อนชงมันไหลาตามแม่น้ำมันไหลไปล่องน้ำไหลเรื่อยเรืรืเรืเย่ยมันไม่ติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขาอุ ป, ม, ปมาอุปมาณกับตัวเองถ้าติดฝั่งซ้ายถ้าติดฝั่งขวถาถ้ท่อนทรงท่อนนั้นติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาแล้วก็คนมาก็อเอาขึ้นฝ่งเ อ, เ, อเอาไปเลื่อยเอาไปอะไรท่อนทรงท่อนนั้นไม่มีโอกาสจะถึง จุดหมายปลายทางก็งมาเปรียบเทียบกับตัวเองฝั่งใจฝังขัวก็คือความยินดีความายินไลมบางที่ไปสยบไปติีโจกัความยินดีมานก็ได้โอกาสไปตีโจกวความยินไล่มาแล้วก็ได้โอกาสมาเปรียบเทียบกับตัวเองมันอยู่ตรงกลางหรือมันเองเลยมันติดตรงนั้นเอามาเอามาปฏิบัติเอามาสอนตัวเองเพื่อที่ะเอาท่อนชงมาเป็นปุกขลามทิศฐาน มาเป็นธรรมอาทิถาง ม, มาสอนตัวเราคนที่สองก็ได้บรรลุธรรมเพียบเพียบเลยหร อ, อนางหรือภิกษุณีตนหนึ่งอยู่เขาชิดกูเห็นคนช่างเขาช่างลงอาบน้ำคนช่างก็ยืนอยู่คนฝั่งบอกช่างลงไปไอโพนข้างหลังไอโพนข้างซ้ายไอโพนข้างขวาไอโพนข้างหลาก ามัอคนตรวจน้าพ่นหลังใช่ไหมเป็นไหมือผู้ผู้พนข้างหลังเอฟพูดพนข้างขวาพูดตรวจพ่นมือซ้ายพูดพ่นท้องพูดเจ้าของดูจนพอใจสะอาดนะบอกข้างขึ้นมาพอบอกข้างขึ้นมาก็บอกข้าง น, านวดตัวเอง ไปนวดตนใหม่เอาข้างซ้ายเอาข้างซ้ายไปนวดตนใหม่บอกเอาข้างขวาสร้างเอาข้างขวาไปนวดตนใหม่บอข้างหลังสร้างก็เอ็นหลังไปนวดตนใหม่เอาท่องข้างเอาท่องนวดตนมาก็บอกมามาเจ้าของโอบรองเจ้าของก็สีขอช่างกลับบัตรทิกซ์นี้ตนนั่งเห็น ทวนชางสอนช่างก็งมาเปรียบเทียบกับตัวเราเรานี่เป็นภิกษุเณีธอไม่จะสอนเลงไม่ได้เหมือนช่าติเอาช่างเป็นคราอวจังเขายังทําได้เราจะไปปล่อยให้จิตหมกมุ่นค้นคิดหรือเราหยุดไม่ได้วันร้อนเราเย็นไม่ได้หรือมันทุกข์เราไม่ทุกข์ไม่ได้หรืออะไรก็ตามว่าสอนดัดแปลงคนที่สุดเอาช่างเป็นครัเอามาปฏิบัติก็ได้ผลรู้ธรรม บางทีมันเปประโยชน์ทั้งหมดนะชีวิตของเราการใช่ชุลปัญจมแม้แต่ความมุ่นหวั่นความมุ่นหมาย <c oughs> ความคเครียดเนี่ยความผุ้งซ่านนะไรลองดูดิมันก็ต่างกันกันกนกบความไม่ผุ้งซ่านความมุ่นหวั่ความอะไรต่างๆมันต่างกันอยู่กับความปกติ อย่าไปจนนะเปรียบเทียบทันทีเลนะทักท้วงโต้ตอบแก้ไขเปลี่ยนให้มันถูกมันผิดอยู่ในเราเปลี่ยนให้มันถูกไหมเราการปฏนบัตนะอย่าไปหอบไปไหนไปโทษโน่นโทษนี่เห็นเรานั่งอยู่ปฏิบัติธรรมเขาเปิดเครื่องขยายปรุงปรนอย่าไปโทษเขาเพรามกลับมาหาตัว สวนทางทวนกระแสทวนให้มันเก็บตัวหน่อยปรเดวมันจะคล้อยตามเอาให้มันแหวก้น่อยแต่มั น, นลองทนวนหน่อยมันจะเก่งไปเรื่อยๆอถ้าเราอะไรก็ค่อยตามหมดอะ ไ, ไไมอะไรก็ไว้ไปตามะยยอะไรก็ไว้ไปตามเราโยกย้อนไว้ไปตามเราเน้นทา่าไว้ไปตามเหมือนชีวิตเหมือนก็นกนถูก ชักขาดไปเพราะเราต้องเป็นตัวของตัวการปฏิบัติธรรมต้องเป็นตัวของตัวเพราะมันมีหลักอยู่มันมีสูตรอยู่ไม่หลักอยู่แต่ว่ารูปสุดตัวมันเป็นหลักไปไหนก็ต้องกลับมาตรงนี้ไปไหนก็กลับมาตรงนี้จะไปความสุขควาโลภของมโกรธความหลงกิเลสผลทัศน์นั้นแล้วก็กลับมาหาตรงนี้มาหาของรูปสุดทัว ด้วยฝีมือของเราด้วยมือของเราด้วยการกระทำของเราจ ะ, ะจะไปมองไกลต่ไปมองไกลตัวของที่มันไกลตัวมันใช่ไหมล่ะของที่มันอยู่ใกล้ๆมันใช่ได้่ะมันใกล้การปฏิบททัติธรรมปัตติเนี่มันใกล้ปะปัจจัตตังมันใกล้มันอยู่ใกล้ๆมันสามารถทำได้ ต้องต้องให้เก่งนะการปฏิว่าทําต้องเก่งทันทีไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นอ่นอนแลยไปเลยพอทำลแล้วมาแค่นี่เลยหลว็พ่ อ, พอยกมาขึ้นแค่นี่เลยลูแค่นี้เลยลู่แค่นี่เลยแค่นี่ยเลยค่อยๆวางมันม่นใจตลาดโอแค่นี่ยเลยมีเท่านี้เลยมีเท่านี้เลยองรู้จักตรวพอทําไปทําไป <c oughs>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 ความลงก็เอาความไม่ลงอยู่ในตัวไม่คว้มลงลอะไรางพระพุทธเจ้าจะว่านิพพานมีอยู่ในสังขารในสังขารมีนิพพานอยู่ตรงนั้นสังขาราปรมาทุกขานิพพานังปรมาทุขังตรงกันข้าไม่อยู่กันเรียกว่าปฏิบัติคือกลับกับคนลมุมมองตาหมุมมันเกิดอยู่ที่เดียวเหมือนทางสี่แพร่งทางสองแยกสี่แยก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 คนตัวก็ทานั่นแหะลู่เสือแต่มันก็ทาได้ทดันีมันง่ายัวทํานง่ายคนหลงเอาจริงๆแล้วนะต้องหลงน่ะมันยากนะต้องลู่เสืตัวมันง่ายสะดวกกว่าความทุกก็ายากปรุงแต่งผมไม่พุงไม่แต่งนง่ายง่นั่นแหละขอบกระดกค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 คนกินข้าววัวไม่ได้เอาเหล้ามากินไปข้าววัวได้ทตรงเลยกินเหล้าข้าคนกินเหล้าข้าววัวก็ปล่อยกินเหล้าเพื่อจะกินดิบๆเหมือนหมาเหมือนสัตว์อะไกรกันไม่ทุ่งมันง่ายนะสะดวกที่สุดหลงพ่อพาทําในสิ่งที่มันสะดวกพร ะ, ร ะ, ระพุทธเจ้าพาพวกเราทําเรื่อ ง, องความสะดวก คนเรียกมามาดูมาดูมาดูที่ดูทีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีมาดูมาดูาดอ่าพอรู้สึกตวัว ม, มันก็จึงไม่หลงเพราะหลงมันก็ไม่รู้มาดูมาดูมาดูเพราะสิ่งนี้เองเขารู้มันก็ไม่หลงเขรู้มันก็ไม่หลงเขหถ้าหลงมันไป rồi, มันไปไกล แล้วก็มาทำดูมาทำดูถูกต้องแน่ถูกเราอไม่มีไม่มีอยางอื่นแบบชีวิตเราการที่พัฒนาชีวิตสุดยอดของการพัฒนาชีวิตเพื่อนี่ความรู้สุดตัวเลย น, นะเราก็ทำได้พูดในสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่พูดเรื่องเราทำไมะได้ไม่ใช่ว่า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 พลังวัดคนเดียวกันผู้หญิงผู้ชายเดียวกันไม่มีเพศก็มีไวบไม่มีลัทธิไม่มีมมมมนิกาตัวปฏิบัตนะิเรามองอย่างนี้มองแบบราบลืล่นไม่ใช่อันนี้ก็เป็นพระสงฆ์อันนั้นก็สามเณรดีอันนั้นกับแม่คีอันนั้นกัอวราชิตามันสมมุติมันใช่เปรละตัดอกเปรามะัดมันต้องอันเดียวกันโลกทำนามทำ คือโลกกับนาคือกายกับใจส่วนหลงตัวนรู้คนเดียวกันทำป่อยทำไปด้วยใจสบายสบายอย่าไปตั้งคิดไว้ถูกก็เดินไปตั้งคิดไว้พิษตั้งคิดไว้ให้มันถูกถ้าตั้งไว้พิษมันก็มันก็ยากคิดนี้ถ้าตั้งไว้พิแมันก็ยาก ต, ตั้งไปถูกแนละ้วมันไม่มีนะมองอะไรเงี้ยง่ายอะไง ย, ยิ้มไปในใจใจดีสู้เสือโบราณท่านว่าทำไปอย่ามีอะไรมาบังคับขับใส่อย่ามีอะไรต่อรองเพรน้นเราจะมีกําหนดมาเพียงเจ็ดวันก็เป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีเจ็ดวันเจ็ดวันอะไรหรอกมันมีแต่โต้รุ่งโต้ลงตะวันมันก็ไม่มี การกัดนดปรดิมาณในถังกาอะเรา็จะว่าการเวลามันมีอะเดียวกันคือการเวลาชีวิตเราคือการเวลาไม่ใช่วันทิ่จัทำการพุทธประัด ส, สุดสองนัเป็นสมมติแ้าเราคือความรู้สึกตัวคือชีวิตเรามเรามูกสึกตัว เราครู้สึกตั ว, รวเราเวลาทําอะไรก็เราไม่ได้แต่ถ้าเราหลงเวลาก็ลงโทษเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อ่าไม่มีหรอกกลางคืนก็ไม่กลางวันก็ไม่มีแค่เด็กความรู้สึกตัวเอาไปมาความรู้สึกตัวตายเห็นโลกคือความรู้สึกตัวหูได้ยินเสียงคือความรู้สึกตัวสมอกได้กิงได้่ได้รดคือความรู้สึกตัว อไัอไห อ, ไอไันไหนอไหก็ตามคือความรู้สึกว่งทางนัาน้าฮะไม่ก็พอไมมีปัญหา ห, าหลไนะห้วงนอนไหม ะ, ะไม่ห้องคิดมากไหมอดีถ้าคิดอ่ะมันมีถ้าคิดเนี่ยหลวงพ่อจาสนุกนะถ้าไม่คิดเียโอ๊ย ไม่ดีจืดชืดนะแต่มันคิดให็นดีมากจะได้เห็นบางที่หลวงพว่อของฮะของจะคิดละโมเลยลนะาพาไปแล้วมาหาหลวงพว่โโอเกาหัวทำยังไงหลวงพอ่อผมมันไม่คิดเทํายังไงว่าไม่คิดอะไรเหมือนไม่มีหัวจิตหัวใจอะไรอะไรมันทํำยังไงเขาก็ เขาก็ทูกข์อะอันตัวไม่คิดอ่ะซึซื้อๆไปยให้มันคิดอะถ้ามันไม่คิดเนี่ยโอ้มันไม่ได้รสชาตินะมันมีมันกันอารมณ์บางบางครั้งมันจะไปจบความว่านะบางทีต้องมาลูบตัวเอ๊ะมันก็มีนะเอามือมาจีบขามันยังเก็บอยู่นะมันมีโรคอะไรนะเอามือมาเหยียแขนแรงเอ๊ะมันยังมีลูกมันนั่นแหลมันว่างมากว่างเลหายปวเอามือมาลูบัวด มันว่างเลยว่ไม่มีรสชาติอันที่มันคิดโน่นคิดนี่เนามันกลับมันว่ามันหมดเกลียดเจอะแ๊ะไปหมดเลยแต่มันว่างเลยจะทำยังไงอะไม่มีรถชาติเลยเหมือนรถวิ่งไม่เข้าเกลียดหลงเลงไปหมดเลยเคยขับรถไม่มีเกลียดไหมหลงเลงไห ม, ไหมใครว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มั่นใจฮะ ถ้ามีเกลียติดเกลียอะไรสักหน่อยอย่าน้อยก็เกลียหนึ่งเกลียสองกับเบรคเฉลยก็ได้นะให้นคิดลงไปให้เป็นแบบแต่ไปแต่ไคิดว่ามีปัญหาความคิดไม่มีปัญหาอะไรก็ถือถือไปจะมีปัญหาฉันเชื่อว่าสติแล้วไม่มีปัญห า, าเฉลยได้ทั้งหมดไม่สติมันเฉลยหลายๆเรื่องมันจะเก่ง ถ้าสติไม่ได้เฉดเลยมันไม่เก่งมันไม่ไม่ไม่เก่งป่ะมากราบพระพ่อครับระังธรรมธรรมโตวะปตังปะวันปะพิวาเจ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 เอ้แค่ลัวอลองดูดีๆแล้วจะจับจะจับตัวมันได้จะจับตัวเหี้ยแค่นี้ไดต้ตัวอะไรเนี่ยหลวงตัวเหี้ยพูดตาม <c oughs> ตโพธิละโพธิละเน้นสอนโพธิละโพธิละเนี่ย จบพระไตยปิดกนะไปหาใครก็ไม่สอนไปหาเน้นน้อยน่นเน้นน้อยก็บอกลงไปในน้ำกันมาเน้นน้อยบอกว่ามีจอมถวกจอมหนึ่งมีรูหกรูมีตัวเหี้ยเข้าอยู่ตรงนั้นจะทำไงต้งไปจับตัวเหี้ยได้ <c oughs> ยตัวเหี ps, ini, ้ยมอยู ul, ่ในจอมพวกแต่ว่าจอมพวกมีอยู่หกรูโปรเทล่าเนี่ยโปรทล่าถามโปรเทล่าทํายังไงถึงจับตัวเหี้ยเท่นั้นไ่ะเน้นน้อยถามได้ไม่รู้ทำอะไรนะเพราะว่าเขาจับตัวเหี้ยได้โปรเทลาก็ต้องปิดห้าลูขุดตามรูเน่ไปขุดไปทั้งห้าเลยปิดหมด ก็ตามไปแต่ก็จับตัวนี่อะไรครับพอตอบเท่านั้นเองตัวเลงก็ไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็จับการเลี้ยงโลหกโลนเอาโลเดียวตามไปทําไปจับเนี่ได้เห็นผิดเห็นถูกเห็นสุกเห็นทุกข์มันอยู่ตรงไหนความโกรธความโลภความลงมันอยู่ตรงไหนหลงพ่อก็เลยพูดเสมอว่ า, วามันมีตัวลูกกับตัวหลงเท่านั้นแหละใช่ไหมชีวิตเรามันไม่ว่า ตัวลูกของตัวลงเ่านตามหาดูจริงๆเนี่ยมีสองอันเท่าไหรนแต่มันหลงเราก็เปลี่ยนเป็นลกได้ปิดแล้วปิดรูหลงเปิดตัวลูกตามโลูกเข้าไป้นเราเปิดให้มันออกก็เพื่อเธอเพิ่มมันก็ไม่ได้ปิดรูหลงเอาตัวลูกเข้าไปอันนี้ไม่พ้นหรอตามไปตามไป ฮะรู้สึกไงตอนยยกมือยกมือสร้างจังหวะช่วยยกมือช่วยเจตนาช่วยให้ตัวลูกมันเด่นตัวลูกมันเด่นมันลงเลยกลับมานี้ยเนี้ยมยเอาตาดูก็ได้รู้สึกเปิดตัวลูกตัวลงอกปิดละมันลงอีกเปิดตัวลูกนั้นก็ปิดตัวลงโดยธรรมชาติ มันหลงมันโล่มันหลงมันโ ล, ล่พยายามทำอะไรมันจับเงียดอะจะโล่จะไหนจับได้มันโทษเจ้าว่ะโอ้ยเจ้าสังขารแต่ก่อนเราไม่รู้จักเจ้าแล้ววิ่งกับเจ้าไปในสงสารอเนก็ชาติบัด น, นี้เรารู้จักเจ้าเสี็แล้วเจ้าจะทําอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไปจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ที่หน้าเจ้าสังขารตัวสังขารคือตัวหลงตัวหลงตัวปุงปุงต่ง ต, ตัวไม่ปรุงนะเป็นวิสังขารวิสังขารคือเป็นชีวิตรุ่นรุวนของสังขารเป็นชีวิตปลอมปอมมันปลอมตัววิสังขารวิเศษวิวิในวิเศษนำไปนำไปสู่จุดหมายปลายทาง วิต น, น์วิตนี้มาจากคำว่าพระได้เป็นพระด้วยวิตัวนะวิปัสนาน่ยมันเป็นพระแล้วล่วงพ้นภาวะเก่าแล้วความเป็นปุถุชนความปรุงปรุ ง, ง แ, ตแต่งล่วงมาแล้วพ้นมาแล้วมาถึงวิเศษแล้วพ้นมาอย่างวิเศษนำไปอย่างวิเศษถึงจุดหมายปลายทางอย่างวิเศษ ไปพุทธมนรแม่แล้วจะพาไปไปวันที่ยเกเนาะไปพบกันทีพุทธมนรนะ มึงก็จะไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเนอค่ะเดอนต้ไปเพื่อนกันทั้งหมดเพื่อนมนุยพาทั้งหมดนนี้เพื่อนคนนี้น้องเพื่อนอถ้าตลาดคนนั้นจะเพื่อน ตาโถตาตาเหมือนพยศักดิเนาะเป็นเพื่อนของวิชัยมาก่อนโอก็ขาวิชัยอะเนี่ยสองคนนันเป็นเพื่อนวิชัยมาตลอดตั้แต่เรียนเสร็จจะได้เนาะจะได้วิพุทธิชัยเนาะแล้วพ่อจะได้ได้มาวัดสุขโตเนี่ยพวกที่ปลุกเบิกที่แรกคือพวกข่มวิชัยนี่และพ่ะมลวิพา ทั้งหมดละ่ะคติอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกเรามาลุงพ่อก็ไม่สภาพแบบนี้นะแต่ก่อนลุงพวว่อก็จะไม่ทําอะไรเลยนะ <c oughs> อะคนบริจาคมาทีแรกกินข้าวตากผนเขาถ่ายภาพเดี๋ยวจับระไก่สาระไก่ก็ลังต่าๆนะเน้องวนนะทำเตี๋ยวเตี <c oughs> ๋ยว <c oughs> แล้วก็ฝนตกกินข้าวตากผนเขาถ่ายรูปมาให้ลุงพ่อดู เออเราเนี่ยนึกว่าจะอยู่คนเดียวไม่ใช่อยู่คนเดียวแนละ้วคนมากินข้าวตากคนอนะ <c oughs> ไรทายังไงเลยก็เลยคิดสร้างสาราหลังนู้นนะสาราใหญ่สาราใหญ<อ>่ก็ได้แล้วนะ่ะเราต้องทำเที่ยงนั้นสาราใหญ่ดีแล้วไม่มีชาต่ก่อนไม่มีพอหลวงพ่อเห็นพวกเรากินข้าวตากคนอะ่ะก็เลยเกิดกำลังใจข <c oughs> ึ้นมาแล้วนั่นก็เกินนวดที่ใช้ให้เงินหลวงพ่อสามหมืนบาทโอ้ปีห้ารอย กี่สีย่ยี่ห้าหเดี๋ยวน้องยี่สามเนี่ย ใ, ให้เงินสามหมื่น 3, บาทแล้วพ่อก็ไปไประชุมชาวบ้านทันทีเหพราะเราจรึงเข้าต่างคนบ้านใหม่บ้านโขน ง, ง, งบ้านวางังแค่บ้านทํามะไฟใครจะทําซาลาใครจะออยอะไรบ้านเอาเสาคนลราต้นเอาเอาจันทันเอาจันทันเอาเอาหลังนั้นเอาไม่เอาไม่เครื่องไว้เลยปชมวันเดียว หมดเลยไม่บรรลับไปหมดเลยเอา้าวลองพ่อเป็นสังกษีคนวุฒิชัยให้เงินสามหมืน่นอ่าเราก็ยอมเป็นไม่ลองพ้อเป็นสังกษีแป๊บเดียวเสร็จเลยเจลาล <c oughs> คนวิชั ย, ยพวกเราเราบุกเมือนะวุฒิชัยก็ไปบุกเบิกวัสนารรมนอืมวัฒนธรรมในครับพวกเราเนี่ยวุฒิชัยไม่เป็นวัดนะไม่เป็นวัดเลยเป็นอะไรชื่อเพื่อน คงกันใช่ไหมต้องกั น, นห้องเนีน่ยทำไมงั้นมาเป็นเป็นพี่พี่ขอ ง, องสงฆ์เป็น<ห>สมชายาไปช่วยเรื่องขนายให้ชาวบ้านย้ายออกไปวัดก็เลยกว้างเดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังเห็นว่าจันทร์ทองเนี่ยลืมลืมไป <c oughs> พวกเราไปปฏิบัติเออไม่ได้ไม่ได้อยู่เลยหลวงจันทร์ทองเนี่ยหลวงพ่อเคลมออก มันวัดตพวกกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมแท้แท้วัดสนามไหนถ้าไม่ใช่กลุ่มพวกเราเรสศึกษามีคนไปแย่บอกว่าจะยึดวัดสนามไหนเรายิ่งกลัวอยู่ดันทองหลงตัวไปไม่ปฏิบัติไม่ะพวกเราไปใช่ไม่พอใจนะหลวงพอโดตจะก่อน หลวงพ่อเห็นกับตาเลยหลวพเห็นกับตาตอนน่หลวงพ่อกลังพดลงไหม่อยู่มาบอกให้จันชันมาขอใหม่ไปเฮ้ยทำไหลวงพ่อกงงเลยพาเจ็บใหม่เลยไม่ให้เราใช่ไจันชันเนี่ยเจจันชันนี่ก็เป็นมือจันทองนะแต่นี่ก็ไม่แต่นี่มติดที่นี่แต่นี่มาอยู่ที่นี่แล้ว จะมาประเทศอะไรนะท่านชานะจะมาพร้อมกับสิงคโปรจะม่พลังคนหน่งเพื่อนแต่ท่านชานเขไม่เอาใครอยู่แล้วเนี่ยอ่าจะพามาเอาเอาอยู่แต่พาเพื่อนมาจะมาบวชด้วยพลังคนหนึ่นะเอาแต่คนต่าชาติเต้องคนาชาติเอาแต่คนต่างชาติท่านไม่คุยด้วยกับใครอ่ะไม่ใช่คุยอยู่ คุยเยอะอะน้อยหน่อยนไม่รู้สิวันเจอไม่ค่อยคุยกับใครอะใครคุยด้วยใครคุยแต่หลังๆนี่คงจะมาวันที่ไหนนะวันที่นี่เหรอใครจะต้นเดือนไหนนะแทบเจ็ดแปดแทบทันวานี่แหละเออทันวาจะมาเหรอนี่มันจะหมดทันวานมีสิงคโปร์สามคนมีฝรั่งเพื่อนของท่านชันครับ ก็จะมาบวดด้วยน <c oughs> เนาะเกี่ยวกับเมื่อไหร่เกี่วยวกับเลยหลังปีใหม่เราะมีพระจะคของดุสีท่านธนาฝากความิดถึงาท่านธ น, นาเคยไปญี่ปุ่นกับท่านยุทธิ์ป้าธนาเนาบิดตรงนี้เนาะ <c oughs> สภ า, าก็คมนมนุวิพาเ น, นี่ยจับจับกุมใชถ้าไม่ใช่คนมนุวิพาเนี่ยตเนก็จะไล่ไปอ่ะไม่ไม่เชิญแพ้นะคะแกเียว่า